หรือตามตัวอักษรนิพพานมาจากนิอุปสัคแปลว่าออกไปหมดไปไม่มีเลิกบวกวานะแปลว่าพัดไปหรือเป็นไปบ้างเครื่องร้อยรัดบ้างใช้เป็นกริยาของไฟหรือการดับไฟหรือของที่ร้อนเพราะไฟนิพพานจึงแปลว่าไฟดับดับไฟ หรือดับร้อนหมายถึงหายร้อนเย็นลงหรือเย็นสนิทแต่ไม่ใช่ดับศูนย์แสดงภาวะทางจิตใจหมายถึงเย็นใจสดชื่นชุ่มชื่นใจดับความร้อนใจหายร้อนรนไม่มีความกระบวนกรรวายหรือปแปล ว, ว่าเป็นเครื่องดับกิเลสคือทาให้ราคะโทสะโมหะหมดสิ้นไปในคัมภีร์รุ่นรอง และอัธกถาดีกาส่วนมากนิยมแปลว่าไม่มีตันหาเครื่องร้อยรัดหรือออกไปแล้วจากตันหาที่เป็นเครื่องร้อยติดไว้กับภพบสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชธิรยานวโรรสทรงแสดงพระมติว่าในยะหนึ่งควรแปลว่าหาของเสียบแทงไม่ได้